เหลือเวลาอีกนิดหน่อยสี่สิบนาทีให้พวกเรามีโอกาสได้เดินจงกรมนานๆเป็นยังไงเดินจงกรมนานๆเป็นไงอยู่ไหมอยู่กันเนื้อกับตัวไหมพุทธโธพุทโธพุทโธอืม จะสะดวกตามที่เราแนะนำหรือจะสะดวกตามถนัดที่เจ้าของเคยทำมาก็ตามความสะดวกสบายข้อสำคัญให้มันอยู่ข้อสำคัญขอให้ใจอยู่เดินจงกรมนี้มันเป็นท่าที่เราเดินพิจารณาได้เป็นอย่างดีเวลานั่งท่านั่งเป็นท่าที่เราสงบได้เป็นอย่างดีสมถะสมถะกับวิปัสนาต่างกันยังไงสมถะ จิตดาริอารมณ์อันเดียววิปัสนาดําริายๆอารมณ์ยักย้ายผันแปรไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามีปัจฉนายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างตารูปเกิดการกระทบเข้าเป็นจักขุจักขุวิญญาณไม่ใช่เราจอยอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งอันใดอันหนึ่ง <c oughs> นี่คือลักษณะของวิปัสนาคือพิจารณาอารมณ์สามารถยักย้ายผันแปรไปตามกิริยาการของอารมณ์นั้นๆแท้ที่จริงสมถะกับวิปัสนาเราก็แยกออกมาพูดเฉยๆแต่เวลามันอยู่มันก็อยู่ด้วยกันเราจะว่าสมถะไม่มีวิปัสนาก็ไม่ใช่เราจะว่าวิปัสนาไม่มีสมถะก็ไม่ใช่เราแยกมาพูดกันเฉยๆ ถ้าเรามาแยกพูดเป็นเด็ดเด็ดขาดจริงจังให้มันสิ้นสุดข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีการคุยกันพูดกันก็จะต้องขัดแย้งกันแท้ที่จริงมันอยู่ด้วยกันเราไม่ต้องให้ใครพิสูจน์เราพิสูจน์เราเองอะในสมถะนั่นแหะมีปัญญาไหมในสมาธิน่ะมีปัญญาไหมก็ตัวปัญญาก็ตัวสติตัวสัมปชัญญะถ้าไม่มีตัวนี้จิตจะอยู่ไหมจิตไม่อยู่ ถ้าไม่มีเจตสิกที่สาคัญที่สุดกากับควบคุมดูแลเป็นประธานงานที่ยิ่งใหญ่คือตัวสติเนี่ยการตื่นรู้ของจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้สมาธิก็ไม่มีสมถะก็ไม่มีทีนี้ในวิปัสสนาในวิปัสสนาอาศัยอะไรหนุนอาศัยสมาธิหนุนถ้าสมาธิไม่หนุนทะเละทะลายเพราะอย่างที่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่สาหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านเน้นอ่ะอาวารนี้สมถะนะพอสมถะจิตจิตมีกําลังได้ไ ด, ได้ช่วงได้เวลาก็พลิกเปลี่ยนมาพิจรารณาพิพจารณาเหน็ดเหนื่อยก็สงบสงบเหน็ดเหนื่อยก็พิจรารณาท่านให้ขยับไปด้วยวิธีการสองอย่างนี้สลับกันไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งเอาเอาให้มันได้ฌานสีก่อนเอาให้มันได้อรูปปสมะบัติก่อน ควาวิปัสสนา ß, ไม่ใช่ท่านไม่ให้ทำงั้นทสลับกันไปเรื่อยเหมือนกับเท้าขวาเท้าซ้ายสลับเดินขวาซ้ายขวาซ้ายขวาายเดินไปเดินไปเดินไปเป็นข้อเปรียบเทียบเดินไปเดินไปถ้าเราจะเทียบเอยียงหนึ่งก็คือการเดินพิจารณาเกี่ยวกับอารมณ์ของวิปัสสนาเดินไปเดินไปเหนื่อยแล้วก็หยุดหยุดเอาแรงหยุดหมายความว่าหยุดอยู่กับที่ อยู่กับอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะเราสามารถพิสูจน์ใน ใ, ในในในตัวเราได้ครูบาอาจารย์หรือใครจะพูดยังไงก็ตามแต่เราพยายามจอดูเรื่องจริงของจริงเราจะไม่สงสัยกิริยาการที่เราจ่อเข้ามาเนี่ยมันจะบอกเราเลยของจริงอยู่อันนี้ไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่ลมปาก แต่มันมีกิริยาอาการให้เราเห็นพยายามจับตัวนี้เอาไวา้มันมันหมดข้อข้องใจหมดข้อสงสัยเองปัจจัยต่างเรารู้เองก็เหมือนอย่างจิตเราอยู่หรือจิตเราไปนี่เราใครจะให้ใครรู้ก็เรารู้จิตเราเพลาๆนึกคิดดูเหมือนมีปัญญาลื่นไหลจะให้ใครรู้ท่านจึงว่าปัจจัยต่างปัจจัยตาง เวดีตโบวินยูพึงรู้จำเพาะตนปัจจัดตังรู้จำเพาะรู้จำเพาะตนจิตใครจิตเราแต่ถ้าเป็นวิสัยพระสาสดาท่านก็นสามารถเอาจิตของท่านสารวจตรวจตราโดยจิตวราระจิตของลูกศิษย์ได้ <c oughs> คุณสมบัติมันต่างกันมันเหนือกันคุณสมบัติเหนือกันแต่สำหรับคุณสมบัติพอๆกันก็ รู้ไครรู้เราของไข่ของเราถึงร่างก็ตามบางคนก็ยังมีออกรู้ออกรู้ข้างนอกเนอย่างลูกปุ๋ ม, มั่นเงี้ยตัางก็เห็นหมดอนะ่ะพราเราจิตของเราอยู่ยังไงเป็นยังไงดื้อด้านอยู่ไม่อยู่นึกคิดปรุงอะไรต่ออะไรท่าน ด, ทานดูท่านดูออกหมดนะฟังแต่ท่านท่านดูพระที่ตีนถ้ำที่ตีนเขาสาริกาถ้ำสาริกานะเห็นไหมมีสำนักเล็กๆอยู่ข้างล่าง หลวงปู่มันท่านขึ้นไปอยู่ห้างบนนะ่ะท่านกำภาวนาอยู่ดึกๆของท่านมีเวลาเป็นอิสระตลอดเพอดึกๆท่านกระส่งก็ะสีจิตมาดูหลวงตาองค์นี้ห <laughs> ลวงตาก็ปรุงแต่เรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องงานเรื่องการเรื่องผัวเรื่องเมียพ <laughs> <laughs> อตอนเช้าท่านลงมาท่านกรัดเออเป็นไงฮะ เป็นไงเป็นไงสร้างบ้านสร้างเรือนแต่งงานกับแม่ยีหนูคนเก่าอ่ะโอ้หลวงตาเนี่ยตื่นเลยใช่เนี่ยหูพึงเลยโ อ, เอย้เราคิดยังไงเราคิดยังไงหลวงปู่มันรู้หมดวันหลังเปิดเลยวันหลังหลวงตางวันหลังเปิดเลยหลวงตาองค์นั้นยให้อยู่ยัยงไงเหมือนกับหลวงปู่มันท่านอยู่ข้างบนท่านดูมา ที่ไหลที่ไหลจิตของเราเป็นยังไงท่านรู้หมดนี่ผู้ที่มีภูมิรู้อย่างนี้ส่วนมากจะเป็นภูมิของพระพุทธเจ้าแต่คาว่าหลงผูมั่นนี่ท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิอะ่อะเสร็จแล้วก็มีมีหลักมีหลักมีเกณฑ์แล้วเครเขาว่าทามานานพอสมควรแล้วถ้าเผื่อสร้างสลากระเท่ากับว่ามุงหลังคาเสร็จแล้วอ่างนั้นนะ มูงหลังคาเสร็จแล้วยังไม่ได้ปรับทําพื้นทําอะไรให้ดีดีแต่มูงหลังคาเสร็จแล้วก็แสดงว่าบารมีแก่กล้าพอสมควรเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้จึงมีทําไมพระเจ้าท่านจึงมีคุณสมบัติของสิ่งเหล่านี้สําหรับไปทรมานลูกศิษย์สำหรับทรมานพวกมิจฉาทิฏฐิเพื่อที่จะเอามาเป็นลูกศิษย์ไปหันเหทิฏฐิของเขาจากมิจฉาทิฏฐิให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิกเหมือนอย่างพระองค์ไปหัก ทิฐิของกัสปะสามพี่น้องนั่นแหละในสุดมาบวชทั้งพี่ทั้งน้องได้บริวารตั้งเป็นพันบวชทั้งหมดเลยพี่น้องสามคนอุโรเวลกักษัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะเป็นนักบวชบูชาไฟอยู่ที่แม่น้ำขยาฝั่งแม่น้ำขยาคนพี่อยู่เหนือน้ำ พระพุทธเจ้าท่านทรมานเสร็จขอบวชหลังจากบวชเสร็จแล้วก็ลอยบริขารไปน้ํามันไหลลงไปอ่าน้องคนต่อไปเห็นก็โอ๊คพี่ชายเราเป็นอันตรายเปล่าวิ่งมาดูเห็นว่าพี่ชายบวชอน้องมาบวชมาบวชเราเราเจอของดีแล้วพบพร ะ, ระศ า, าสดาแล้วมาบวชก็สละโยนบริขารลงไปคนที่หลังมาบวชในสุดบวชทั้งหมด บวชทั้งหมดยังยังไม่ได้พูดถึงการบรรลุคุณธรรมบวชเสร็จพระพุทธเจ้าพาไปแสดงที่ต้นน้ำขยาแสดงเรื่องอาทิตตปริยยะสูตรนี่แหละพูดถึงเรื่องไฟเพราะฉะดินพวกนี้บูชาไฟแล้วก็อรุปวลกสาป่านี่เขารู้พพุทธเจ้าไปทรมานวิธีใดๆก็ตามซึ่งมันแทงหัวใจเขาตลอดเขารู้หัวใจว่า อุรุลักสัพตคืออะไรคิดอะไรเป็นไรพระุทธเจ้ารู้จักหมดอุรุลักสัพตก็มาชมเชย อ, อยู่ในใจเออพระมหาสมณะโคดมเนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหรันต์ทิฏฐิตัวนี้ยังมีอยู่อรหันต์คำว่าอรหันต์จึงมีมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจา้าเขาเรียกกันแสดงว่าคนยุคนั้นเนี่ยเสา ะ, ะแสวงหาจริงๆริงเสา ะ, ะแสวงหาทางหลุดทางพน้พนพน้พนทุกพน้พนโทษ เพราะฉะนั้นในชมพูทวีปพระพุทธเจ้าเราจึงมาอุบัติที่นี่ที่ชมพูทวีปเพราะความเป็นอยู่ของชาวโลกเขาชาวบ้านชาวเมืองเขานี่เขาสสเสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงๆถ้าเพื่อพระองค์ไปอุบตัติทางภูมิทางประเทศที่เขาไม่ได้สสเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้อาจจะอาจจะมีผลน้อยอาจจะไดบ้บริษัทบริวาร น, น้อยแต่มันก็เป็นธรรมเนียมของพระพรุทธสัจเวลาท่านจะไปอุบัติเนี่ย ท่านจะต้องมาคำนึงถึงชาติถึงตระกูลถึงทวีปถึงชาติถึงตระกูลถึงทวีปใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ทวีปอะไรจิตใจของประชาชนเป็นยังไงคำนึงคำนวณหมดแล้วก็ลงไปอุบัติเพื่อที่จะโปรดเขาเนูทีเจ้าไปแสดงทำอาทิตตะปริยาญสูตรแสดงถึงถึงสูตรของความร้อนอาทิตะตะเ ร, รวาร้อนอ ร้อนจากขุอธิตัง ร, รูปังอธิตังจากขุวิญญาณังอธิตังจากขุสัมผัสโสอธิตโตยำ ป, ปิดยํยำปิดดังจากขุสัมผัสปัจยปจยญาโอปจติเวไดยิตังสุข้างวาดูข้างวาอะดุขมสุข้างวาอาคือนี้เราก็เอามาสวดก็ได้คือนี้นะ ส่วนอาทิตตะปริยัตสูตรท่านบอกว่าตาก็เป็นของร้อนรูป ก, ก็เป็นของร้อนถ้าจะไล่อริยธนรภายในตาก็ร้อนหูคือร้อนจมูกคืร้อนลิ้นกายใจร้อนร้อนเพราะไฟคือราคคินาไฟคือราคะโทสักคินาไฟคือโทสะโมหคินาไฟคือโมหะเยดูใครจะคิดออก <c oughs> ใครจะคิดออกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไฟ แต่พุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าเป็นไฟเพราะเวลามันเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆไฟที่ไม่มีควันมันเดือดร้อนมากกว่าไฟที่มีควันมีเชื้อเป็นฟืนเป็นเศษเป็นได้เป็นหญ้าเป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยไฟเหล่านี้มันร้อนกว่าร้อนเพราะราคะดูที่เวลามันกำเริบตายไปข้างหนึ่งไองมีใครไปขัดขวางะตายไปข้างหนึ่งยิ่งกว่าไฟซะอีกโทรศัพทมีคนไปขัดกัน โรดเต็มที่เลยตายเป็นห้าเป็นสิบตายเป็นทวีปตายเป็นประเทศดูดิ เ, าวเวอาระเบิดไป ท, ทิ้งกันนะชิ้าายปป้ใบพวงหมด น, ะนั่นนะมีใครไปขัดมันเป็นอย่างงั้นโทสักคินามันก็เป็นริดเด็ของโมหะคินาไฟคือโมหะโมหะคือความรุ่มหลงร้อนร้อนเท่าไรเพราะพิษสงของมันมีแสดงอธิตปริยยะสูตรที่ต้นน้ำขยา แสดงถึงเรื่องาฟราคะโทสะโมหันเป็นเรื่องของไฟพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอธิษปริยายาสูตรเดินดินทั้งพันสามองค์พันสามตนพันสามรูปพระเดินพันสามรูปฟังแล้วจิตทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจิตก็หลุดก็พ้นเบื่อหน่ายตา หูจมูกลิ้นกายใจเบื่อหน่ายมาถึงใจน้องตาท่านเอามาวิจารณ์ว่าอธิตตาปริยายสูตรเนี่ยท่านพูดถึงความเบื่อหน่ายมาถึงใจแต่ในอนัตตารักขณสูตรท่านบอกว่าไม่มีการเบื่อหน่ายถึงใจแค่ขันห้าเบื่อหน่ายแค่ขันห้าแท้ที่จริงขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญนาสังขานวิญญาณ ทั้งหขันเนี่ยเป็นอาการของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอาการของใจไม่ใช่ตัวใจอันนี้ท่านพูดเป็นกลยุทหมายป้ายทาให้พวกเราได้สังเกตเอาไว้ไม่มีไม่มีเบื่อหน่ายที่ใจแต่อาทิตย์ภริยายสูตรท่านบอกว่าเบื่อหน่ายถึงใจถึงใจท่านหมายว่ามันถึงใจท่านว่า ง, งั้นเถอะ นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงปโปรดชดินสามพี่น้องพอแสดงจบบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดทั้งหนึ่งันสมองค์ชดินสามพี่น้อง mm. นี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงมองข้างในรูุ้ทธเจ้าท่านมองข้างในผู้มีคุณสมบัติมองข้างในประจิตประจิตคือรู้จิตคนอื่นประแปลว่าอื่น ประจิตรู้จิตของผู้อื่นเราเนี่ยจิตของเราแทๆ้ๆเรายังไม่รู้จักเราให้กิเลสตัณหามันเอาไปฉลุง่งวันคืนยืนเดินเท่าไหร่เราไม่รู้จักท่านนี่มีความอัศจรรย์ขนาดไหนรู้จิตคนอื่นรู้ประจิตของคนอื่นรู้ง่ายเห็นง่ายๆและรู้แล้วก็ไม่ได้อัศจรรย์อะไระเห็นเหมือนกับตาเห็นอย่างอื่นหูได้ยินอย่างอื่นง่า ย, ายๆธรรมดานี่เอง เป็นพระจิตรู้จิตของคนอื่นมีไว้สำหรับทรมานพวกดื้อเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไปทรมานพวกเชิดดินนี้ในสุดศา ส, สนาของพระองค์ก็เจริญแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ถึงขั้นนี้มันเอาไม่อยู่มนุษย์เรามนืนดื้อขนาดนั้นนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมทรมานด้วยฤทธิ์ด้วยอภิญญาขนาดนี้ทรมานไม่ได้ทรมานไม่อยู่ความดืด้านของมนุษย์เพราะฉะนั้น ญาณคือความรู้อภิญญาขั้นนี้ระดับนี้สนับธรรมาลเป็นวิสัยของพระาศาสดาจะเป็นวิสัยของพระาศาสดาเป็นส่วนมากแต่ใครก็ตามได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกชอบรู้สึกอยากได้รู้สึกอยากมีใครมีนิสัยสั่งสมมาก็มีได้ใครไม่มีนิสัยสั่งสมมาก็ไม่มีเส้นทางที่จะทำให้เราบรรลุธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรม มีอีกตางหากที่ทําให้เราเดินไปได้เราจะมีนิสัยรู้เห็นไม่รู้เห็นก็ตามเส้นทางที่เราทําท ใ, ห ใ, หให้เราทำให้ให้ให้เราทําให้หมดกิเลสตัณหาเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเราเดินไปได้สบายอย่างอย่างเป็นอิสระแค่ทําให้ตัณหามันเหือดแห้งไปจากหัวใจเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ท่านถึงจัดสุขวิปัสสกสุขวิปัสสโกอื แค่ทำให้ตัณหาดับมอดไปจากหัวใจไม่มีริดเดตอภินยาไม่มีเตวิโชชละพินโยนี้มีริดมีเดตมีอภินยาพิสัมพิอภิสามพิทัต ป, ปโตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทายานทั้งสี่ประเภทของพระอรหันต์อ่าอืม สุขวิปสัสสกสุขวิปสัสสกบรรลุทำด้วยเหมือนกับทำให้ตัณหามันเหือดไปมันแห้งไปบัลรู้ทำอย่างแห้งแล้งมันไม่ใช่ <c oughs> เหมือนกับไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยทำตะปะทำไปแผดเผาไปย่างให้สิ่งเรานะั้นมันเหือดไปมันแห้งไป เลิดไวแห้งไปแล้วก็จบคุณสมบัติของความบริสุทธิ์เท่ากันผู้มีวิชาสามก็ตามมีอภิญยาหก็ตามกับผู้ที่ได้บรรลุธรรมหมดกิเลสตัณหาอาสวะหนึ่งหัวใจหมดจดโดยสิ้นเชิงมีคุณสมบัติเท่ากันหมดพบหมดชาติไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำลายราคะโทสะโมห oh ะโดยสิ้นเชิงได้เหมือนกันแต่ภูมิรู้พิเศษเหล่านี้ ถ้าหากเรามีสะดวกสบายในการที่จะไปเทศไปไปบอกไปสอนคนอื่นสำหรับไปทรมานคนดือ้อเพราะคนที่ดือด้อๆถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีเขายอมเขาจํายอมอืเขาจํายอ ม, อ ม, ยอมก็เหมือนอย่างรูละคัสปะจํายอมพระพุทธเจ้านั่นแหละอนึกว่าเอ้อสมณะขอดมเนี่ยมีฤทธิ์มากมีเดชมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็ดู ในใจของอรุณลักสสปะตลอดเหมือนกันเขาก็ยอมยอมรับทุกครั้งที่พระรูเจ้าท่าแสดงฤทธิเดชให้ให้ดูอใจเขาก็ต่ําลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเต็มที่แสดงว่าเขายอมรับเต็มร้อยพระองค์ก็ใส่เลยกัสสปะเธอสําคัญเท่าไหตัวเองเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จัก โอ้ยแทงใจดำเ่ยหัวเข่าอ่อนยยบกราปรลกปรลกปล ก, ปลกขอบวชนั่นอุรุลาคสปะเนี่ยเขาเคยเจอแต่พระอาหารหันต์จอมปลอมในใจของเขาอะพอมาเจอพระอาหารหันต์ของจริงแล้วทำไงละ่ะโอ้ยเราทำอะไรพ้นรู้หมดเราทำอะไรพ้นรู้หมดยอมเิโรราบเลยนี่คือพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มีเดชมีอภินญา ริดเดตอพินยาเหล่านี้ เ, เราก็ชอบเขาก็ชอบใครก็ชอบยิ่งตะวันตกนี่ก็ชอบมากที่มาเกี่ยวข้องกับศาสนาคราวที่แล้วเราไปเยอรมันเขาถามนะออภิญญาเหล่านี้ถ้าเผื่อเรามาปรับใช้ใเกิดประโยชน์กับโล ก, ก็เป็นยังไงไม้อะไรเอามาใช้เป็นอาวุธแทนนิวเคลียร์นิวตรอนหรื อ, อยังไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาถามนี่ยเขาถามไปอย่างงั้นนะ อยากได้ฤทธิ์ได้เดชอภิญญาอข้อปฏิบัติที่มีผลทั้งด้านจิตใจเนี่ยเอาไปปรับใช้เกิดประโยชน์อภิญญาเหล่านี้นะโอ้จเจ้าอภิญญาไปทําเป็นนิวเคลียบปรมาณูจะทําเป็นเครื่องบินทิ้งเสียงเท่านั้นเท่านี้อย่างงั้นเหรออเราก็เราก็ตอบโอเราไม่ต้องไปติดใจอย่างงั้นดอก ถ้าเรามีนิสัยล้วก็เราก็มีได้ล้วก็เป็นได้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ถ้าเราไม่มีนิสยัยไม่มีนิสยัยมันก็ไม่มีมันก็ไม่เป็นแค่พระจุลปันทุกนะพระจุลพันธุกเนี่ยท่องคาถาแถวสองแถวเนี่ยสามเดือนจาไม่ได้เป็นน้องชายของพระมหาบันทกทีนี้พี่ชายเขาทรมานเนี่ยทาให้จุลปันทุกอับอายมาก มีวันหนึ่งหมอชีวกนิมนต์ไปฉันนิมนต์ไปฉันที่ที่สวนน่ะสวนสวนหมอชีวกทีนี้พระในวัดทั้งหมดให้ไปหมดที่กรุงราชยครึ่เนี่ยสาเหตุเหตุเหตุที่กรุงราชยคนะ ร, รคึแต่ว่าจุลปันถกไม่ให้ไปทรมานนะ้นองชายของตัวเองเพราะทรมานพราะโง่มากให้ท่องคาถาแค่สองแถวตลอดพรรษาจำไม่ได้ จำไม่ได้ปะดมังโกโกนุ ด, ดังสุขันธังคาถานี้เราเคยท่องจำได้อยู่ปาโตสิยังพลมาวีตะการทาั่งอังดีรับสั่งปัสสะวิโรจมานาตะปันตามาดิจจะมิวันตะลิเคมันเป็นคาถาที่ชม พระัตสมีของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนพระอาทิตย์อย่างนั้นพระอาทิตย์งงอย่างนี้เป็นคาถ า, าสารเสริญบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละจำไม่ได้พี่ชายทรมานทรมานโอ้เสี ย, ยใจเช้าวันนั้นเนี่ยมูเข้าไปที่สวนมอชี่วกจุลบันทภ ก, ก็ออกไปหลังวัดว่าจะไปศึกพุทธเจ้าอยู่ในตะข่ายของพุทธเจ้าหมดแล้วพระองค์ก็ไปดัก เป็นพุทธทนิรมิตเนรมิตไปเธอจะไปไหนไปศึกพระเจ้าค่ะอา้าวทาไมล่ะอพี่ชายทรมานทําให้ข้าพระองค์ได้รับความ อ, อับ อ, อายอาเธอไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายเธอเลยเธอบวชอุทิศเหล่ามานี้มานี้พระพุทธเจ้าเรียกไปก็เนรมิตรผ้าขาวให้ผ้าขาวผ่องพระพุทธเจ้าเนรมิตให้เธออยู่นี่นะบริกรรมอย่างนี้อทําทตามนี้นะ ให้จุลบันธกบริกรรมพระโชหะนังเอามือทำอย่างเงี้ยลูกเงี้ยพระโชหะนังลูกผ้าขาวเนี่ยลูกไปลูกไปลูกไปลูกไปลูกไปลูกไปก็เห็นความขาวผ่องของผ้าเนี่ยมันหมองลงหมองลงหมองลงหมองลงเอเกิดปัญญาเกิดปัญญาว่าเอ๊ะผ้าขาวนี่มันหมองได้ยังไงแสดงตัวเรานี่สกปรกมากได้ปฏิกู ล, ลสัญญา พระพุทธเจ้าทั้งนั่งดูโดยพุทธนิมิตได้ปฏิคูลสัญญาพระพุทธเจ้าก็ป้อนวิปั ส, สนาไปให้พิจรารณาตามพระองค์ไม่นานได้บรรลุเป็นพระอระหันต์พร้อมกับวิชาพลิกจิตเนี่ยมันเป็นฤทธิเดช ท, ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการได้บรรลุธรรมคำว่าวิชาพลิกจิตในที่นี้หมายความว่าหนึ่งองค์เนี่ยแสดงตัวให้เป็นหนึ่งพองค์ได้ เพราะว่าหมอชีวกให้พระเจ้าให้พรพระเจ้าบอกเอ้ยพระยังมีอยู่พระยังไม่หมดให้คนไปตามพระจุลปันถกพระจุลปันถกกูมีคนไปตามไปก็เห็นพระหยุดเต็มวัดนะ่ะองเดียวเน่ยไปแปลงตนให้เป็นป น, นพันๆอยู่ในวัดนะคนหนึ่งปัดคนหนึ่งเดินโยงกลมคนหนึ่งทำโนวนคนหนึ่งทำนี่อยู่นะเต็มวัดอย่นะ่ะโอ้ยมันไม่ใช่หนึ่งองค์ไปเจ้าค่ะ รัดเต็มพัดเลยอ่างั้นเธอไปเรียกจุลบันทกกลับไปใหม่ไปเรียกจุลบันทุกจุลบันทุกเต็มไปหมดไม่รู้จะจับใครไม่รู้จะเอาใครกลับมาบอกอีกเธอไปจับเลยใครว่าจุลบันทกใครชื่อว่าเรียกชื่อจุลบันทกแล้วขานว่าเป็นจุลบันทกให้เธอไปจับเลยพราะไปจับมือเพอไปจับมือเท่นานาั้นเน็คนั้นหายมัดเลยเนี่เห็นไหมซึ่งไม่คิดว่าจะมีก็มีไม่คิดว่าจะเป็นก็เป็นแต่บุญบารมีเก่า ที่เขาทำมายุราบันทกเนี่ยฤทธิเดชอันนี้เขาเรียกว่าพลิกจิตมันได้มาพร้อมกับบรรลุเป็นพระอรหันต์พี่ชายสอนเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้เพราะพี่ชายไม่ใช่ศาสตราจารย์ใหญ่พระพุทธเจา้าท่านเป็นประมาจารย์ถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอชั้นเยี่ยมดูแล้วคนไข้คนนี้จะแก้ด้วยยาอะไรยาอะไรยาอะไรดูปั๊บเห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าแก้ด้วยด้วยยาอะไร พุทธเจ้าก็เลยทำทำเนรมิตให้บริกรรมนี่มันเข้ากับกรรมเก่าคือกรรมเก่าของใครมีใหมาไงมันมกักจะตอบรับกับกรรมเก่าจุลปันทกสมัยชาติหนึ่งปุรยชาติชาติหนึ่ ง, เ, งเคยเป็นพระราชาเป็นพระราชาก็นั่งเลียบดูพระนครหนังช้างทรงช้างเงื่อแตก เอาผ้ามาเช็ดเช็ดเหงือ่อประชาชได้เรียบดูพระนครเอาผ้ามาเช็ดเหงื่อผ้าขาวๆเช็ดดูเอ้ยตัวตัวเราเนี่ยดำหมองผ้าเส้าหมองนเลยได้ปฏิคูลสัญญาทั้งแต่ชาตินั้นนะฮนะในสุดชาติสุดท้ายที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหรันยังสง่งส่งผลอ น, นิสงส์มาจนถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้เนี่ยส่วนมาก ของใหม่ ม, มันมักจะสัมพันธ์กับของเก่าที่ใครจะดูออกผู้ที่จะสยนดูออกใช่ไหมหมอผู้เชี่ยวชาญหมอผู้ชนานาญเพราะฉะนั้นท่านก็ใส่ ย, ยาตัวนี้ปั๊บเดียวใช่ ท, ท, ทั้งท้ที่โง่จําไม่ได้เลยแสดงว่าสัญญาเต็มทีเพราะนั้นเกาะไม่ติดสัญญาจําไม่ได้มันเดอนรางจางไปหมดแหละแสดงว่าจิตแทบใช้ไม่ได้อะไรอะไรเลยแหละจิตของเราถ้าล่องลอยเรื่อยเป่วยจับอะไรเกาะอะไรไม่ติดกันแสดงว่าแย่มากๆ แต่พุทธิยถาท่นรู้ภูมิหลังพอทำแบบนี้ปั๊บอ้าวได้เลยนะปฏิกูลสัญญาโผล่ขึ้นมาเกิดสลดใจพุทธิจ้าก็ให้พิจารณาย่าง น, นยังน้นไม่นานก็ได้บรรลุธรรมแต่คนที่เกิดในยุคนั้นนี่เป็นคนมีบุญเขาเรียกว่าเกิดในกาลสมบัติในช่วงที่มีพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่การเวลาที่เป็นสมบัติใครก็ตามเกิดสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ นอกจากกำรรหนักหนาสาหัสเท่านั้นที่จะไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรมอืมก็เจะงอกงอแงขนาดนี้ก็ตามถ้ามีความสนใจได้บรรลุ ธ, ธรรมได้บรรลุ ธ, ธรร ม, มพระพุทธเจา้าอเราดูที่กลับนี้พระกะกุสันโธแล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหนท่านผ่านไปแล้ว <laughs> กัจสโปโขโธตมอย่เนี้ยพระกะกุสันโธ อพระอะไรเองโคตโมกัตสโปแล้วโคตโมทุกวันเนี่ยอถ้าพวกโคตโมอย่างทุกวันเนี่ยเรายังไปไม่ได้อีกโอ้พระกัตสโปรพรกเราไปอยู่ที่ไหนอืพระกากรุสันโธเราไปอยู่ที่ไหนเป็นนกเป็นหนูก็หลอกกระแตอ่ะเป็นมดดํามดแดง <laughs> พวกเราไปอยู่กันที่ไหน กับนี้นะมีห้าพระองค์เดี๋ยวนี้มีองค์ที่สี่คือพระโคดมของเราเนี่ยถ้าพระโคดมของเราเรายัางไม่สนใจอีกทำไมเราจะได้ไปถ้าหากเราไม่รีบเร่งขวนขวายอีกแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราจะได้เจอพระศรีอานเจอไม่ได้ยังเหลืออีกหนึ่งองค์นะที่ที่ยังจะต้องมาตรัสในกับนี้กับนี้เป็นกับที่งามมีพระพุทธเจ้าม า, าบัดถึงห้าองค์ซึ่งเป็นกับที่เจริญมาก พัดถกกับพัดถกับแล้วว่ากับที่เจริญเป็นกับที่งามบางกับอายุกัะป๋าของโลกน่ยบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติเลยพวกคนพวกสัตว์อยู่เหมือนสัตว์น่ะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีอะไรโอ้หุนหวายขนาดไหนเราคิดดูบางกับมีพระพุทธเจ้าไปอบัติหนึ่งองค์บางกับพระพุทธเจ้าไปอุบัติสององค์บางกับพระพุทธเจ้าไปอุบัติสามองค์แต่กับที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้พัดถกกับ พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ม า, าบัรห้าพระองค์เราดูสิอืถือว่าพวกเรามีโชคมีวาสนามีบุญไหมถ้าเราไม่มีโชคไม่มีวาสนาไม่มีบุญเราไม่ได้มาเกิดในกลับนี้ถ้าเผื่อยุคนี้ยุคพระโคดมยังหลุดไม้หลุดมือเราไปอีกแต่ด้วยเหตุด้วยเรี่ยวแรงที่เราตั้งอกตั้งใจทําพยายามจะทีบ ต, ตัวไปให้พ้นแต่มันพ้นไม่ได้ มันก็น่าเห็นใจที่ว่าขาบวนสุดท้ายของพระศรีอาร์พระศรียะเมตรัยจะมารับเราไปว่างั้นเถอะได้ไปกับขบวนของพระองค์บางคนก็อ้างโยนไปเรื่อยเฮ้ยยังมีพระพุทธเจา้ามาอาบัตอีกพระองค์เขาก็เที่ยวกินเที่ยวเล่นสนุกสนานไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วเวลาพระองค์มาอาบัตเนี่ยเราไม่รู้ไปอยู่คุมไหนก็นไหมลูกทาไมจะได้เจอไม่ได้เจอ ถ้าเราไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจสร้างคุณงามความดีจริงๆยุคที่พระองค์มาเกิดนะั้นเป็นยุคที่คนมีบุญมาเกิดอายุตั้งสองหมื่นปีทุกวันนี้เราอายุแค่ไม่ถึงร0อปีร0 0ปีกับหมืนปีดูที่มัน ต, ต่างกันคนละโลกบริษัทบริวารของพระองค์ยิ่งใหญ่เสียระยะเมตรไตรแค่น่าจะเป็นประเภทศรัทธาธิกะ น่าจะเป็นประเภทศรัทธาธิกะนะยิ่งด้วยศรัทธาสัทธาธิกะแปลว่ายิ่งด้วยศรัทธาพระโคดมของเราเนี่ยปัญญาธิกะยิ่งด้วยปัญญาสร้างบารมีแค่สี่อสงไขยแสนมหากรัมยยิ่งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทในยุคสมัยพระศาสนาของพระองค์อายุจึงไม่ยืนอายุจึงสั้นอย่างที่พวกเราเป็นอยู่ แต่ก็พอดีพอเหมาะกับที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจสามารถทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในหัวใจของเราคอยตั้ง อ, อกตั้งใจสนใจแล้วก็ทำได้เราก็มีได้เราพูดถึงคุณวิเศษภายในใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้มีได้ด้วยอะไรด้วยฤทธิ์ด้วยเดชของความสงบใจของเราถ้ามันสงบแล้วมันมีฤทธิ์มีเดชมีอภิน ญ, ญาในตัว ประเภทเตวิโชประเภทชลพินโยพวกนี้หนักหนักด้วยสมาธิสมาบัติหนักด้วยสมาธิสมาบัติตจิตยึงมีฤทธิ์ยังมีเดช ด, ดำดินบินบนอะไรต่ออะไรสราาัพพัตได้อันนี้ในตำนานพวกเรารู้เห็นได้ยินได้ฟังเหมือนกันหมดสุขวิปัสสกสุขวิปัสสโกมีสมาธิพอประมาณ แค่เอาไปหลอมรวมกับปัญญาทําให้ปัญญาเดินไปได้สะด ว, วกเพื่อที่จะทํางานให้สําเร็จแค่นั้นเองก็จบไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรมากมายอย่างอื่นเนี่ยคือพลังของสมาธิไม่เท่ากันแต่จะทิ้งสมาธิไม่ได้เ อ, อ้ยใช้ปัญญาใช้ปัญญาไม่ต้องมีสมาธิสมาธิอยู่ในนั้นแหละในสมาธิก็มีปัญญาอยู่ในนั้นแหละในปัญญาก็มีสมาธิอยู่ในนั้นแหละ เราไม่ต้องไปเถียงเขาดอกเราดูมาที่ของจริงที่จิตของเราเนี่ยมันมีหรือไม่มีเถียงได้ไหมไอ้แค่เราไม่มีสติไม่มีสัมผชัญญาเนี่ยไม่รู้มันดึงจิตเราไปทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีสติไม่มีสัมผชัญญาก็คืออะไรก็คือไม่มีปัญญานะเองไม่มีปัญญาตัวที่จะผลิตปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้ก็คือตัวสติตัวสัมผชัญญาใช้ความภาคความเพียรวิริยะอุตสาหะขันติ ความอดความทนใส่เข้าไปฉันทะวิริยะพอใจเข้าไปภาคเพียรเข้าไปทมเข้าไปอเป็นการตะล่อมคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในหัวใจของเรามันก็เจริญขึ้นได้มันก็มีขึ้นได้ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือพาจัดพาธรรมจิตใจของเรามันจะพัฒนาไปได้ยังไงพัฒนาไปไม่ได้อืม พัฒนาไปไม่ได้แต่เรื่องการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเราก็รู้ไม่ได้ว่าเราทำได้ง่ายหรือทำได้ยากรู้แต่ว่าท่านก็คือท่านเราก็คือเราท่านยากก็ของท่านเราง่ายก็ของเราเรายากก็ของเราท่านง่ายก็ของท่านท่านยากก็ของท่านจะเกณฑ์ให้เราเหมือนท่านก็ไม่ได้จะเต้เกณฑ์ให้ท่านเหมือนเราก็ไม่ได้ไม่เหมือนกันเพราะความภาคความเพียรไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน ความดร ι, ามด leader, ร ude, ati, มมาาิความละเอียดละออระยะเวลาเวลาที่สังสมมาไม่เท่ากันความละเอียดความรอบครอบสังเกตสังกาอะไรไม่เท่ากันไม่เหมือนกันความรู้ความฉลาดความหมั่นความเพียรเลยเท่ากันที่ไหนเราดูที่คนเราที่เรารู้เห็นเห็นอยู่บางคนคอยยันรถยนต์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนถ้าพูดถึงว่าเขาหารายได้เขาก็ ย, ย่อมจะได้มากมากกว่าคนที่นอนมาก ทำน้อยคนที่ทํามากนอนน้อยย่อมได้มากกว่าคนที่ทําทําน้อยนอนมาก <laughs> นอนมากแสดงว่ายังมีความสุขมากอยากมีความสุขมา ก, า ก, มามมากหรือว่าขี้เกียจมาก <laughs> คนที่ทํามากนอนน้อยแสดงว่าโลภมากเลยทําความเพียรมากโลภมากงั้นแหละ โลภในการทําความภาคความเพียรโลภในการสร้างคุณงามความดีมันเป็นบวกหรือมันเป็นลบมันเป็นบวกขยันมันเพียรอุตสาหพยายามใส่เข้าไปเอาจนตายเลยอดินแงๆแงๆตายเพราะสร้างคุณงามความดีมันไม่ถึงขั้นนั้นดอกแต่ข้อสําคัญนโอ้ยกระดูกจะร่วงที่เกียด ต, ติดความสุขนิดนิดหน่อยหน่อย ตัวนี้ตัวสําคัญตัวร้ายกาจเขาหาได้เป็นร้อยเป็นพันเราหาได้ห้าบาทเนี่ยโอ้เราจะไปทันเขาเลยใส่ปากใส่ท้องก็ไม่พอข้อเทียบเคียงมากมายเยอะแยะที่เราจะมาเทียบเคียงดูใส่หัวจิตหัวใจของคนของสัตว์ข้อแตกต่างมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่การสร้างเนื้อสร้างตัวการตั้งอกตั้งใจการมีจิตจํำนงเจตนาที่จะปักหลักทําอะไรให้จริงจังเข้าไป มันแตกต่างกันอย่างนี้เองอคุณสมบัติของธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจก็เช่นเดียวกันทำเรื่อยๆทำเรื่องๆทำบ่อยๆทำไม่ยอมหยุดทำจนออกเป็นเอาตายกับคนที่ทำหยุดทำหยุดทำหรือไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำสิบครั้งแล้วก็ทำหนึ่งครั้งไม่ทำสิบครั้งทำหนึ่งครั้งกับไอคนที่ทำสิบครั้งและไม่ทำหนึ่งครั้งใครจะได้มากกว่าทำทำทำทำทำทำทำไม่ทำใครได้มากกว่า กับไอไม่ทําไม่ทําไม่ทําไม่ทําไม่ท ำ, ท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำสิบครั้งทำหนึ่งครั้ง <c oughs> หนึ่งต่อสิบมีไหมเราลองพิจารณาเราลองสังเกตหรือมีไหมเราไม่ต้องดูที่อื่นเรามาดูเราตั้งใจภาวนาเนี่ยวางคนเขาสงบเขาเยือกเยน็นเบาสบายชุ่มเย็ยนในหัวใจเ อ, อ่ออิ่มกระยิมยิ้มย่องในหัวใจของตัวเองสงาผ่าเผยเดินเสงาพ่าเผยเดินจนกลม นั่งก็อ๊ยเหมือนนั่งบันหลังนั่งขัดสมาต์ตั้งสมาธิปั๊บอ๊ยเหมือนนั่งบันหลังวิเศษวิศสแล้วเกินดคนที่ท่านทําแล้วเป็นไปมันสะดวกสบายมันเบาวงเหมือนกับเราเนี่ยลอยเด่นเหนือศัตรูทั้งหลายทั้งปวงที่มันมาอยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยเราเด่นสง่าอยู่เห็นไหมต้องทํำดิต้องทําให้เกิดความรู้สึกมีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอืม ทำมากๆถึงจะมีถึงจะเป็นไม่ทําไม่เปลี่ยนทําแล้วก็เหนื่อยอะไรเหนื่อยก็ช่างมันแต่ใจไม่ยอมเหนื่อยพุทโธพุทโธไม่ปล่อยเดินไปนู้นไปนี่เข้าห้องน้นนาําอาบน้ําอาผ้าจัดนู้นกวาดนี้ไม่ปล่อยตัวนี้ดูวาระจิตของเราตลอดต่อเนื่องนั่นคือคนไม่เสียความเพียรสังสมอารมณ์ขนาดนั้นแหละมันไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปตั้งใจถึงขนาดนั้นแหละอืม ไม่ใช่ทําไม่ทําไม่ทําไม่ทํำทําทํานิดหน่อยดูไม่เห็นเลยแต่ไม่ทํามากทับถมเต็มไปหมดแล้วจะมีผลรายได้ที่ไหนไม่พอปากไม่พอท้องอืกับคนที่ทําทําทําทําทําทําได้เท่าไรไม่ต้องสนใจเรื่องผลที่ได้ไม่ต้องสนใจทําแต่เหตุทําให้มากๆเวลามาหยุดสํารวจตรวจตราดูโอ้โหย เป็นเสียถีแล้วเว้ยเป็นมหาเสียถีแล้วอด้วยผลอันนี้สงจากการที่เราทํามีเกณฑ์อย่างเดียวว่าทําให้มากเจริญให้มากมีเท่านั้นแหละจะไปทายจะไปบอกว่าทํามากทําน้อยทํานานทําทางรัดได้ไหมไม่มีดอกทางลัดจอมาที่จิต น, ะนี่แหละทางลัดแหละแม้แค่ทางลัดง่ายๆเราก็ยังไม่ยอมรับแล้วเราก็ยังไม่ยอมจะเอาก็จะเอาทางไหนอีกอะทาง ทางกล้วยนะ อ, อ๋อหนึ่งทางลัดสองทางกล้วย เ, เหมือนปอกกล้ว ย, ยงั้นนะ <c oughs> สุขาปฏิปทาทันธาพินยาสุขาปฏิปทาคิปปาพิน ญ, ญาทํายากบรรลุยากทํายากทํายากบรรลุง่ายทําง่ายบรรลุยากทําง่ายบรรลุง่ายปฏิปทาเขามีสี่สี่อย่างกันปฏิปทาในการบรรลุธรรม ทำง่ายบรรลุง่ายทำง่ายบรรลุยากทำยากบรรลุง่ายทำยากบรรลุยากทำเอาเป็นเอาตายใกล้จะเป็นใกล้จะตายกว่าจะได้ทำยากด้วยบรรลุยากด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราเข้าไขป่ปฏิปทา4ี่ข้อนี่จังนั้นแหละท่านเขาเข้าข้อหนึ่งเราก็เข้าข้อหนึ่งของของเราที่ว่าทำง่ายบรรลุ ง, ง่ายแหมมันยากเหลือเกิน ถ้าเป็นถ้าจะเทียบแบบดอกบัวก็ประเภทอกคติตันอยู่ลอยเหนือน้ำคอยจะแสงแดดจะแผ่มาใส่แล้วก็จะบานธรรมะในใจของเราคอยจะจะมีคนมากระตุกมาสะ ก, กิจนิด น, น, นหน่อยหน่อยก็พร้อมที่จะบานเปิดช่องให้นิดนิดหน่อยน่อยเหมือนพุทธเจ้าเปิดช่องให้อัญญากรรัญานนิดหน่อยอัญญากรเสียก็บาน อกคติทันโูหรือเราจะเป็นประเภทวิปจิทันโยเสมอน้ําหรือเราใต้ลงไปอีกกลางน้ำเนยยะหรือจะใต้ลงไปอีกพัทธปรมะติดที่ตมที่โคลนแต่อย่าลืมว่าทุกคนพัฒนามาจากพัทธปรมะทั้งนั้นแหละทุกคนพัฒนามาจากพัทธปรมะทั้งนั้นแหละรักษาเนื้อรักษาตัวได้ขยับขึ้นมาได้กลางน้ําเป็นเนยยะ คำวมนยยะเป็นผู้พอบอกได้สอนได้ถูถยเป็นไปได้มาได้ขยับเข้าไปอีกอวิปจิตันยูเสมอน้ำก็ถือว่ามีภูมิปัญญาที่ดีใกล้จะบานเต็มที่แล้วอุคติตันยูโผล่ไปพน้น้ำคอยเหตุปัจจัยมาคอยสะ ก, กิดนิดๆหน่อยๆบาพร้อมที่จะบานในวราระจิตของเราเช่นเดียวกัน หลวงตาท่านเทศเทศเรื่องดอกบัวซีหล่วท่านเทศอย่างนี้แล้วเราน้อมมาใส่ใจของเราเกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ถ้าเราพูดเด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เลยได้อโอกาสเราอยู่ในประเภทไหนเราก็ดูวิธีสีไม้เกิดไฟไม้สดชุ่มในหออยางแช่อยู่ในน้ําเอามาเสีให้เกิดไฟพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าไม้อยู่บนบก แต่เป็นไม้สดชุมด่มโดยยางเอามาเสียให้เกิดไฟก็เหนื่อยเปล่าอีกเพราะอะไรเพราะไม้มันสดไอ้ไม้แช่อยู่ในน้ํากับไม้สดชุ่มด้วยยางเนี่ยท่านเปรียบเทียบเหมือนคารวาสบริโภคกามด้วยหมายว่าไม้สดชุ่มด้วยยางคือบริโภคกามบริโภคกามกมัหมายความว่าแช่อยู่ในน้ําอีก เวลาตั้งใจปฏิบัติขัดสีเพื่อที่ให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเกิดย่าเหนื่อยเปล่าแต่ท่านไม่ปฏิเสธวิบากก็เหมือนอย่างที่พวกเรามาทําเราทําทีไรเมื่อไรกมันก็มีวิบากมันมีผลเพิ่มมาที่นิสัยสันดานของเรามันมีผลเพิ่มไม่ได้ปฏิเสธอ่าไม่ได้ปฏิเสธทนี้ประเภทประเภทว่าทําจิตให้ได้รับความสงบ ให้ได้รับความสงบไหมความว่าจิตอยู่กับพุทโธตลอดไม่นึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องตีเรื่องรสเรื่อสัมผัสจิตสงบคือจิตออกจากกามสํารอบกามทั้งหลายเร้่งปวงเหล่านั้นออกจากห้วใจได้เหมือนไม้แห้งเสร็จแล้วเอาไม้แห้งมาสีเกิดไฟเป็นไปได้แต่สีไปสีสีสแล้วก็หยุดสีสีสีแล้วก็หยุดพอหยุดแล้วก็ไฟมันก็หมดไปแล้วนึกได้อีกสีอีกเหนื่อยก็หยุด แท้ที่จริงสีให้เกิดไฟต้องสีสม่ำเสมอหนักหน้าเข้าไปรู้ว่ากล้จติดกขยาบ mm hmm. จัมีสั ญ, ญลักษณ์เป็นไฟบอกเป็น่านเป็นควันเป็นเปลเวคึบขึ้นมาได้ไฟใช้นี่เราดูที่กว่าเราจะได้เปลเวไฟใช้เราต้องทําขั้นไหนหระดับไหนอันนี้เป็นเครื่องชี้บงบอกมาที่ตัวของเราว่าที่เราทําเป็นทําไม่เป็นทําได้ทําไม่ได้เพราะอะไรมันเข้าใข่ อุปมาสามสี่ข้อนี้แหละอือันนี้ก็เป็นวาระก่อนอ่อก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงก็ก็น่าจะจบวาระแค่นี้เดี๋ยวมันจะหมดโอกาสสำหรับพวกเราและอย่าลืมเย็เยนนี้หกทุ่มหกทุมเนี่ยโอ้ได้บุญมากมายได้บุญยิ่งใหญ่เราให้เราคิดเกลียดยิ้มย่องใจได้เลยคืนนี้เราจะเอาบุญที่ยิ่งใหญ่ นั่งภาวนาไปสวดไปสวดธรรมะสวดมนต์และยังไม่พอนั่งภาวนาไปเอาสูตรบางสูตรมาสวดสลับเข้าไปอีกเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนแล้วก็จะพูดคุยแนะอธิบายธรรมะเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อเพื่อเป็นประกายจุดบนหัวใจสติปัญญาความนึกความคิดของผู้ฟังเพื่อเราจะได้เอาไปปรับใช้ใเกิดประโยชน์ วาระนี้ยุติเพียงเท่านี้